ให้สังเกตวงคิดใจจะของันเธอไว้ไฟข้ามมันก็ได้เกลียดส่วนไหนมันลบกวนมากโกมูภุตมากคือห้อปวยห้าไข่มันปวดหัวจะไม่เอาไปบอกมันเป็นอย่างมันเคยช่างควาสิสซยาถือน้ำปัก ไปสียาปวดหายมันกลับว่าถือเป็นโรคอันนึงไปว่างยาอันนึงมันกลับว่าถือแต่หํางพ่อปะทางปะทางแต่ว่ากรรมฐานทุกกรรมฐานน่ยมันเป็นยาวิเศษยู่พ่อแห้งแล้วกาใช้เป็นอุปมาคือยายาทุกยาก็เป็นวิเศษที่ได้ก็ใช้ถือกับโลกกัน แต่ก่ำ ม, มีมันกับวัตถุนนยาภายนอกส่วนยาภายในในบด้วารกันใส้ถึกแล้วก็หายโลดการวั่หายกระเพาะประทางลงไปเสรียงปฏิหาราร่ดเสดงกิเลสกิเลสที่แสดงปฏิหาร ย, งย า, มมเรย ง, ารยงเก็มทียา่ามันเสด็จปฏิหารยางเก็บทีกระเพาะย่ามยังสั่งมันู่หางเหินจากพอมาน่า มันคเขขั้วเขาพอาอวานาอะไรอันนึ่นนงแล้วเมื่อกว่าแสด็จปฏิหารย่างเต็มทีมือหนึ่งมือ ห, หนึ่งกามาวิตกวันหนึ่งวันหนึ่งกามาวิตกมารบกวนหรือพยาบาดวิตกมารบกวนหรือวิหิงสาววิตกมารบกวนหรือความโมงเหงาหานอนมารบกวน เราก็ต้องสังเกตรเราถ้าความวาเงาเหานอนมาราบกวนเราก็เจริญพุทโธ ร, รู้จำแสงสว่างในตอนกลางวันเพ่งเพ่งแสงสว่างเรียกว่าอะโลกะกะทิน ถ้ากามา้าิตกมารบ ก, กวนมากกว่าเพื่อนล้วก็ต้องพิจรารณาร่างกระดูกให้ติดต่ออยู่ไม่ขาดสายเห็นที่ไหนชัดก็ต้องเพ่งในที่นั้นที่อื่นหากชัดไปเองถ้าหากว่าเราเป็นศัตราศัทธาจิตทีนี่ ใครพูดที่ไหนก็ชอบเชื่อหนักไปในทางเชื่อแล้วก็จเจริญพทุทโธธโมสังโคอะไรอันหนึ่งในพุสตานุสติธรรมานุสติสังขานุสติหรือศีลานุสติหรือจารานุสติหรือเทวานุสติหรืออุปธรรมานุสติอนุสติหก หพุทธานุสติ2องธรรมานุสติ3ามธรรมานุสติสี่ชลานุสติ5้าจารานุสติ6กเทวดานุสติ ล, ล้วถึงคุณที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดาพุทธานุสติแ ล, ล้วถึงคุณของพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และลงเกื้อกูลแก่ผู้อื่นธรรมานุสล้วถึงธรรมของพระองค์ที่สั่งสอนเวในสัตว์สังขารแ ล, ล้วถึงพระอริยสง์ ที่มีพระเดชพระคุณสืบต่ออายุพพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราข้างหลังจะเพ่งออกนอกก็าตามจะเพ่งในก็ตามก็ใช้ได้เหมือนกันขอแต่มันชัดถ้าเพ่งในถ้ามันไม่ชัดมันก็ใช้ไม่ได้ถ้าเพ่งนอกถ้ามันชัดก็เอานอกเข้ามาข้างในมันก็ชัดเหมือนกันถ้ามันชัดข้างนอกถ้ามันชัข้างในมันก็ชนกนกนนนใช้ข้างนอกเหมือนกันถ้ามันสงสัยข้างในมันก็สงสัยข้างนอกเหมือนกัน ถ้ามันสงสัยปัจจุบันมันก็สงสัยอดีตอนาคตอีกเหมือนกันถ้ามันไม่สงสัยในปัจจุบันตอนนี้นในอดีตตอนนั้นนมันก็ไม่สงสัยอนาคตตอนนั้นนั้นมันก็ไม่สงสัยอีกกรรมฐานอะไรใดก็เหมือนกันถ้าสงสัยคุณ พ, พระพุทธพระธรรมประสงฆ์ในปัจจุบันคุณ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงค์ที่ร่วมมาแล้วที่ยังไม่มาถึงมันก็สงสัยอีกเหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่อยู่กับเรามันล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปเลยเราจะไปอุ่นมันมาพูดสักอย่างไหนมันก็ไม่อยู่กับเราก็เป็นอารมณ์ของเราต่างหากเป็นอารมณ์ของสังขารต่างหากสิ่งที่ล่วงก็มีหน้าที่ล่วงอยู่เสมอเส ม, อ, เสมอซึ่งหน้าเหมือนกนําลังไหนพุทโธจบไปแล้ว พุโทโธล่วงไปแล้วพุโทโธล่วงไปแล้วคำบริกรรมแต่คุณของ พ, พระพุทธธรรมประสงค์มันเล่วงไปไหนทีนี่แล้วผลนิพพานก็ม่ไล่วงไปไหนทีนี้มันล่วงไปแต่ผู้บริกรรมเทนั้นผู้ที่ผู้บริกรรมผู้นึกผู้คิดเท่านั้นผู้รู้เท่านั้นมันล่วงไปควาจริงแล้วไม่ล่วงไปไหนสังขารก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกอางันกลางคืน ทุกมันก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกลงวันกลางคืนอันนี้จังก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกลงวันกลางคืนคุณพทุทโธก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกลงวันกลางคืนมันมีการมันมีเวลาเร่งของมีอยู่ทุกการอะไรอะไรก็เหมือนกันทั้งหมดทำฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ทุกการเมื่อไรลวงไปไหนดินน้ำไฟลมก็มีอยู่ทุกการ ผมขนเลี้ยฟ น, นั่งด้วเองตัวดุก็มีอยู่ทุกการอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็มีอยู่ทุกการเราจะรู้ตามปจริงหรือไม่เราจะยอมพิจารณาหรือไม่เราจะหลงหรือไม่มันเป็นเรื่องของกิเลสต่างหาอันนี้ พระสสดิบาลสักระคาามีทำที่ทําบุคคลให้เป็นพระสวสดาบาลทำที่ทําบุคคลให้เป็นพระสักราคาามีทำที่ทําบุคคลให้เป็นพระอนาคามีทำที่ทําบุคคลให้เป็นพระอรหันต์ก็มีอยู่ทุกการทาที่จะลงนรกก็มีอยู่ทุกการ เหตุดผู้ใดทําดีก็ดีอยู่ทุกการผู้ใดทําชั่วก็ชั่วยอยู่ทุกการขณะจิตไหนที่มันระลึกไปทางถูกมันก็ถูกอยู่ทุกการขณะจิตใดที่มันระลึกไปทางผิดมันก็ผิดอยู่ทุกการมันไม่สูญหายไปไหน ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นตัวเป็นตเนตเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาก็ตามทำทั้งหลายก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลคือใครจะยึดถือหรือไม่ยึดถือก็ตามสังขารก็มีจริงอยู่อย่างนั้นมีสังขารก็มีจริงอยู่อย่างนั้นเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยเราไม่รู้คนอื่นเขารู้เนี่ ถ้าเราช่วยอคนอื่นเขาก็ดีถ้าเรามีกิเลสคนอื่นท่านก็พ้นไปแล้วก็มีมีอยู่ทุกการเก่เก็บตายก็มีอยู่ทุกการเปื่อยเน่าก็มีอยู่ทุกการทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ทุกการหมดทั้งโลกีและโลกุตระ เราพิจารณาดินก็พุ่งนี้จึงจะมีดินไม่ใช่อย่างนั้นก็มีอยู่ในปัจจุบันนี้เองเราพิจารณานา้ําพุ่งนี้จึงจะมีหนา้าก็ไม่ใช่เพราะท่านหน้า ม, มีอยู่ทุกการท่าน ด, ดินมีอยู่ทุกการท่านไฟก็มีอยู่ทุกการท่านลมก็มีอยู่ทุกการเมื่อโลกโคลงยังมีอยู่ในคันธชนานของเรามันก็มีมีอยู่ทุกการเมื่อขาววัดปฏิบัติของเรามีอยู่ทุกการข่าววัดก็มีอยู่ทุกการต่อสู้กันอยู่ทุกการท่านผู้ที่พ่นไปแล้ว มันกพ็พ้นไปอยู่ทุกการท่านผู้เป็นพระสวสดา a w แล้วก็มีอยู่ทุกการท่านก็พ้นอยู่ทุกการท่าน <pedo> <ordan> ผู้ถึงพระสกทาคามีท่านก <ly uli> ็พ้นอยู่ทุกการท่านผู้ถึงพระอนาคามีท่านก็พ่นอยู่ทุกการท่านพูถึงพระอรหันต์ท่านก็พ้นอยู่ทุกการผู้ปฏิบัติเพื่อรุทพ้นก็ต้องมีอยู่ทุกการ เีให้ปฏิโกลร่างเรือกให้มาดูผมโยนขนมันก็มีอยู่ทุกการเลือกให้มาอยู่ดินน้ำไฟลมก็มีอยู่ทุกการอันเดียวกันเรือกมาดูแก่ดูเก็บอยู่ตายก็มีอยู่ทุกการาตายจากเช่าสายบายเที่ยงตายจากสิ้นลมปานก็มีอยู่ทุกการมีทุกวัน ความเกิดขึ้นปแปลปวนและแตกสลายก็มีอยู่ทุกการถ้าเราจะปัจจุบันชัดมันก็เห็นอยู่ทุกการเจ้าการเห็นอันไหนก็ต้องเห็นอยู่ไม่ได้แต่ไม่ต้องการไม่ต้องวิ่งไปหาไม่ต้องสงสารไปหามันก็มีอยู่ทุกการ ไม่ใช่ปฏิบัติแดดไม่ใช่ปฏิบัติลมไม่ใช่ปฏิบัติของที่ไม่มีปฏิบัติของที่มันมีอยู่ พิจารณาดินหน้าไฟลงทำไมถึงพิจารณาผล็บฟันคือธาตุดินและตะกอนในร่างกายก็เพราะกิเลสมันมาหลงอยากจะให้มันรู้ามเป็นจริงมันเป็นจริงเพียงแค่ไหนอันนี้จังเป็นจริงเพียงแค่ไหนทุกครั้งเป็นจริงเพี ย, พยงแค่ไหน สิ่งที่ไม่ใช่อันนี้จังทุกขรังอนัตตาเป็นจริงเพียงแค่ไหนอดีตเป็นจริงเพียงเพียงแค่ไหนอนาคตเป็นจริงเพียงแค่ไหนปัจจุบันเป็นจริงเพียงแค่ไหนปัจจุบันเป็นข้อวัดศีลสมาธิปัญญารวมลงมาในปัจจุบันปัจจุบันนัศีลปัจจุบันนสมาธิปัจจุบันนปัญญาจะเอาอะไรเป็นเครื่องหมายปัจจุบันก็คือออกกรรมฐานที่เราเพ่งอยู่ในปัจจุบันนั่นเองเป็นเครื่องหมายเป็นเป้าเป็นเครื่องหมาย <c oughs> เป็นที่อยู่เป็นที่เกาะเรียกว่าฐานฐานะแปลว่าตีตั้งตั้งไว้ในปัจจุบันกรรมฐ า, านมีอยู่ในปัจจุบันหมดกรรมฐ า, านทุกๆ ก, กรรมฐ า, านที่มาในสี่สิบห้องก็ดีนอกไปกว่านั้นก็มีก็มีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นเราไปหาธรรมะในอดีตในอนาคตมันก็ไม่เห็น ถึงเห็นก็ไม่ชัดเพระาะไม่มาหาอาจารย์ปัจจุบันปัจจุบันเป็นอาจารย์สําคัญในทางพาะสงสสระพุทธศาสนาจะไม่สงสัยศีลก็จิตปัจจุบันจะไม่สงสัยสมาธิก่อจิตปัจจุบันจะไม่สงสัยปัญญาก่อจิตปัจจุบันจะไม่สงสัยนิพทานเวลาฆะวิมุตติสุทธินิพพานก็จิตปัจจุบันไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่จิตอนาคตไม่ใช่ทำอดีตไม่ใช่ทำอนาคต ยินดีในความหลงหรือยินดีในความไม่หลงก็ต้องถามเราดูยินดีในความนอนใจหรือไม่ยินดีในความนอนใจเราก็ถามเราดูคนอื่นถามไม่ได้ขพรางใครขพงมันเราต้องการพ้นทุกในวัฏจรสงสารหรือไม่วัฏจรสงสารมารวมอยู่ในปัจจุบัแนแล้ว ถามเราดูตอบเราดูขี้เท็ดหรือไม่ขี้เท็จก็ขี้เท็ดเราไม่ขี้เท็จก็ไมข่ขี้เท็ดเรานี่เองทำทั้งหลายมีอยู่ก่อนบริบูรณ์แน่าำทั้งหลายแต่สติปัญญาของเราจะบริบูรณ์หรือไม่ตอนนั้น จะยอมพิจารณาหรือไม่หรือจะปล่อยให้ความลงมีอำนาจหรือจะปล่อยให้สติและสัมปญญะและปัญญามีอำนาจ จะปล่อยให้ความขี้เกียจขี่ข้านมีอำนาจหรือจะปล่อยให้ความขยันมีอำนาจอันนี้เป็นเรื่องของเราจะถามตนเองของใครเข้ามาอันนี้ไม่ต้องให้มีคนมาคุมเหมือนนักโทษจะไปสวรรค์ น, นิพพานก็ให้คนคุมไปเหมือนนักโทษจะว่าเราเห็นธรรมมันก็ไม่ถูกจะว่าเราเชื่อธรรมมันก็ไม่ถูก ส่วนจิต ท, ที่พลิกไปทางผิดเนี่ยไม่มีใครคุมมันไปเองมันจนเป็นอาสันณตกรรมจนเป็นพหุลกรรมกับชินกาเมาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงแสวิตกเป็นพหุลกรรมกับชินเหมือนกันท้าเคยชินมาแล้ว สติปัญญาของเราจะชินหรือไม่ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ทันกันเรามาเข้าสงครามต่อสูกรร้กัมกามัวิตกพยาบาทวิตกกุ้หิงสาวิตตกเนี่ย เขารบกับความหลงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเข้ารบก่บความประมาทอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเข้ารบอยู่กับความไม่นอนใจไม่มีกลางวันกลางคืนความนอนใจต้องเอาความไม่นอนใจเขาเขาต่อสู้ความขี้เกียจก็เองต้องเอาความขยันเข้าต่อสู้ ความข้เกียจพิจารณาก็เอาอันขยันในทางพิจารณานเข้าต่อสู้ความไม่เห็นไทยในวาัาสงสารก็เอาอันเห็นไัยต่อสู้เราไม่ไว้ใจในยืนในเดินในนั่งในนอน ในหลับในตื่นในนึกในคิดไม่ไว้ใจเพราะยังไม่พ้นเวลาเขาสมาธิอยากจะพักก็ต้องพักถ้ามันเข้าแล้วอย่าไปรบ ก, กวนมันเหมือนกำลังมันออกมาที่ณาอีก เอากันอยู่ไม่มีกัางวันกลางคืนเพราะความลลงของเรามีอยู่ไม่มีกัางวันกลางคืนนานๆเราจึงจะไม่เยี่ยมออกมันก็สู้มันไม่ไหวเพราะมันยิงอยู่ไม่มีกัางวันกลางคืนเพราะมันลุกอยู่ไม่มีกัางวันกลางคืนเราจะเป็นแต่ฝ่ายลบฝ่ายหมอบฝ่ายคานก็สู้มันไม่ได้อีกเหมือนกันสมาธิแปลว่าลบ พักรบปัญญาแปลว่าต่อสู้ถ้าเป็นเรือก็ทอดสมอถ้าเป็นรถก็เข้าคิวพัด ถ้าเป็นนักเรียนก็พักเที่ยงหรือพวกหยุ่พักสีห้านาทีถ้าเป็นคนงานก็พักเที่ยงไม่ได้ทำงานเสริญปัญญาเนี่ยทำงาน ให้มีสมาธิให้มีทั้งปัญญาสมดุลกันไปในตัวพุทโธพิจารณาลงถึงอนัตตาก็ได้อนัตตาคุณที่ไม่ไม่มีโทษเกี่ยวปุ ผู้ลูกที่ไม่มีโทษเจือปนผมมีอาหารพิจารณาลงอนัตตาก็ได้อนัตตาผมที่ไม่มีเวรไม่ภัยอนัตตาธาตุที่ไม่มีเวรไม่ภัยอนัตตาจิตที่ไม่มีเวรมีภัยถึงว่าเป็นแต่ศักดิ์ว่าผู้กผู้เห็นก็ต่างเป็นแต่ศักดิ์ว่าผู้ลูกที่ไม่มีเวรไม่มีเวรไม่ภัยผู้เห็นที่ไม่มีเวรไม่ภัยได้ทั้งนั้น ถ้าในแตกฉานในธรรมะถ้าแตกฉานในอัตในธรรมจริงไม่สงสัยปัญหาของตนถ้าไม่แตกฉานในอัตในธรรมมันก็สงสัยปัญหาของตนผู้เล่าเสนเข้ากันไม่ได้เมือ่อเล่าเส้นเข้ากันไม่ได้ก็สงสัยปัญหาของตนก็สงสัยวาระของตนที่เกิดขึ้น เราบริกรรมพุทโธก็ถือว่าธรรมและสังโกอยู่ที่นั่นด้วยก็ถือว่ามรรคผลที่พานอยู่ที่นั่นด้วยอีกเหมือนกันก็ถือว่าสินสมาธิปัญญาอยู่ที่พุทโธอีกเหมือนกันก็ถือว่าแปดหมืนสี่พระธมาขันลงรวมอยู่ในพุทโธอีกเหมือนกันเราพิญญาธรรมโอก็เหมือนกันเราพิจารณาอะไรก็เหมือนกัน เราลับหนึ่งแล้วจะปฏิเสธว่าสองไม่มีมันก็ไม่ถูกก็เข้าใจว่าสองมีอยู่ในที่นั่นแล้วก็เข้าใจว่าสาม ส, ามสี่ห้าหกเจ็ดมีอยู่ในที่นั่นแล้วเพราะเรายังนับไม่ไม่นับไม่ไ ป, ไ, ปไม่ถึงเฉยๆแล้วพิญญาดินก็เข้าใจว่ามีแต่ดินมันก็ไม่ถูกก็มีทั้งน้ําทั้งไฟทั้งลมสัระยุตกันอยู่เรานั่งอยู่เนี้ยนี่ก็จะหาว่าเรานั่งอยู่ ที่บนกุฏิหน้าเดียวมันก็ไม่ถูกนั่งอยู่ทั้งดินทั้งน้าทั้งไฟทั้งลมอีกเหมือนกันทั้งรูปเวทนาทัญญาทั้งขานวิญญาณอีกเหมือนกันทั้งกิเลสอีกเหมือนกันเมื่อรู้ตามเป็นจริงในส่วนนี้ก็เป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาอีกด้วยแต่เป็นในส่วนนี้ เราจะทำให้สิ่ความสงสัยใดๆในปัญหาทั้งปวงในปัญหาของตนที่เกิดขึ้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ก, ก็คือแก้ปัญหาของตนนั่นเองไม่ใช่แก้ปัญหาคนอื่นถ้าจิตมันยังมีสงสัยมาก มันก็ไม่ยอมว่าคําว่าว่างมันก็มีหลายชั้นว่างจากกามสวิตกพยาบาทวิตตกมิหิงสาวิตกว่างจากความฟุ้งซ่านว่างจากอะไรต่ออะไรคําว่าว่างคําเดียวยมันกินความกว้างจนถึงแปดหมื่นชีพระธรรมะขันพระโสดาบันก็อวดว่างในเหมือนกัน พระเจ้ากระาคามีก็อวดว่างในเหมือนกันเพรามันว่างละเอียดไปกว่ากันพระอนาคามีก็อวดว่างในเหมือนกัน <c oughs> พระละหันว่างอย่างเต็มที่แล้วว่างไม่มีโรคมีโกรธมีหลงไปสิงอยู่ในคันทะชันดาน <c oughs> เรียนว่างจบพระละหัน์ เรื่อง่งของของจิตก็จบเรื่องของสมาธิก็จบเรื่องของปัญญาก็จบเรื่องของเวมุิก็จบเรื่องของปิพานก็จบเพราะไม่สงสัยใดๆทั้งปวงที่จะทำให้หนักใจ การแก้ปัญหาในตัวเองไม่มีท่านไม่ไม่มีแก่ท่านผู้รุดพ้นไปแล้วท่านไม่ได้แก้ปัญหาเพราะมันไม่มีเหตุให้นัก อ, อกนักใจนึกไปมันก็เป็นสังขารล้วนๆท่านผู้พ้นไปแล้วมันไม่มีกิเลสมาสิง เป็นกายสังขารล้วนๆเป็นวัชีสังขารล้วนๆเป็นจิตตสังขารล้วนๆเป็นธรรมล้วนๆไม่มีกิเลสสิงเป็นขันนล้วนๆไม่มีกิเลสสิงเป็นปัจจุบันล้วนๆไม่มีกิเลสสิงเป็นอดีตล้วนๆไม่มีกิเลสสิงเป็นอนาคตล้วนๆไม่มีกิเลสสิงห์ชาติก่อนเราเป็นอนันต์อนี้พระบรมศาสดาเอามาเล่าให้พระภิกษุทั้งหลายฟังเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่มีอุปทานในการที่เล่า พรุ่งนี้จะไปอันนั้นพรุ่งนี้จะไปอันนี้พรุ่งนี้จงทําอันนั้นพรุ่งนี้จงไปอันนี้ท่านก็พูดเหมือนกันแต่ว่าไม่มีกิเลสสิงีงนห้พยานชัมนพยุติสูงกว่าความหลงแล้ว 5486เป็นมหานิกายอยู่พระองค์หนึ่งปลาโว่าพระทหาน์นี่ต้องไม่มีเหตุต้องไม่มีปัจจัยอยู่ทุกอิริยาบุตของจิตของท่านต้องเห็นอรัตตาทำชัดกว่าเพื่อ น, น, นอื่น เป็นแม่บทแม่บาทแม่ธาตุแม่ขันอยู่ในนั้นแต่ไม่ยึดถือในที่นั้นแต่ไม่มีอุปทานในที่นั้นมันเห็นชัดๆไม่มีกลางวันกลางคืนเหตุฉะนั้นกรรมเหตุวิบากของท่านจึงไม่มีท่นพูดอย่างนั้นเออเราก็ให้คะแนนเหมือนกันจิดว่าในสมาธิ ขาจากกามวิตกพยาบาทวิตกมิหิงสาวิตกขึ้นถูกระท่ประชานเรียกว่าจิตล่างในสมาธิจิตยะว่างในวิปัสสนาการพิจารณาปัญญาเห็นอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาอยู่มันก็ว่างจากสักจจคคลชั่วคราวส่วนพระอรหันต์มาขาดไปแล้วว่างอยู่ไม่มีกลางวังกนกลงคืนอพ น, น, น <c oughs> เห็นชัดแล้วเก็ <c oughs> ไม่สงสัยแล้ว เขาไม่ยืนยันสิ่งใดใดทั้งปวงแล้วเขาไม่ดิ่งลงในสิ่งใดใทั้งปวงแล้วทั้งอดีต ด, ด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยโลกมีอยู่นิดเดียว ถ้าเราพิจารณาสังขารลงรวมเป็นอันเดียวกันในปัจจุบันแล้วสังขานกับโลกก็อันเดียวกันเล็กกว่าปลายเข็ยมยัดเยียบถึงเพียงนั้นแหละถ้าข้ามปัจจุบันได้ก็ข้ามโลกได้เหมือนกัน ข้ามผู้ลู้ในปัจจุบันได้ก็ต้องข้ามโลกเพราะไม่ติดอยู่ในผู้ลูกในปัจจุบันเหตุไฉนผู้ลูกจึงเป็นพิษเป็นสงฆ์ก็เพราะเหตุว่าผู้ลูกเป็นผู้มีผู้ยึดถือเป็นเจ้าของเมื่อผู้ลูกไม่มีผู้ยึดถือเป็นเจ้าของแล้วผู้ลูกก็ไม่มีพิษรู้อะไรก็ตามรู้ดีก็ตามรู้ชั่วก็ตามรู้อยากก็ตามรู้ละเอียดก็ตามสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอุเบกขาก็ตาม สุขที่มีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของก็สุขมีวิญญาณปฏิสนธิอยู่ด้วยก็มีพบมีชาติอยู่อันละเอียดเหมือนกันอุเบกขาก็เหมือนกันอุเบกขาเมื่อมีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของอุเบกขานั้นก็เป็นชาติเป็นพบอันละเอียดอีกเหมือนกันเพรมีวิญญาณปฏิสนธิอยู่ในที่นั้น สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพระผู้หวังพ้นทุกข์แม้วาจารสงสารจะพิจารณาทางนั้นถ้าไม่พิจารณามันก็จะประติดอยู่คนเรามันมีกรรมอยู่เหมือนกันใครไประติอยู่ที่ไหนก็ต้องแอบกินอยู่ในที่นั้นการพิจารณามันไม่แอบ มันก็เป็นแอบอยู่ในตัวเพราะมันติดอยู่เพราะมันไปไม่ได้มันก็จำเป็นต้องแอบผู้ติดอยู่ในสมาธิก็แอบกินกับสมาธิผู้ติดอยู่ในปัญญาก็แอบกินอยู่กับปัญญาผู้ติดอยู่ในผู้ลูกก็แอบกินอยู่กับผู้ลูกเพราะมันยังถอนอุปทานไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะเหตุสติยังอ่อนยานทรัพยุดยังอ่อนมันก็จาเป็นต้องติดทีนี่ สติจะมีมากสักเพียงไหนพระบรมศาสาศดาก็ไม่ได้ทรงห้ามสัมปชัญญะจะมีมากสักเพียงไดพระบรมศาสาศดาก็ไม่ได้ทรงห้ามสติและสัมปชัญญะก็ต้องอยู่เหนือโลก เห็นดีกันในเวลาที่ไม่สงสัยในกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งเห็นชัดกันแล้วก็ต้องโซเป็นโซตายในสมถะอันใดอันหนึ่งเหมือนกันจึงจะเกิดวิปัสนาผู้เกิดวิปัสนาพร้อมกันไปกับสมถะนั้นก็เพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่าเขาชนานาญในสมถะแล้ว ชำนานในการถือจึงถือได้ทั้งมีดและเสียมถ้าไม่ชำนานก็ได้แต่มีดเล่มเดียวนะ่เนี่ยเสียมไม่ได้ ควาเห็นใดๆไม่ใช่ของใครผู้รู้ใดๆไม่ใช่ของใครในใจโลกธาตุทีนี้การแข่งดีในความรู้มันก็ไม่มีเมื่อการแข่งดีในความรู้ไม่มีทีนี้อุปทานก็ไม่มีอย่นี ผู้ที่จะหวังเอาลาบเอายศกับผู้ลูกไม่มีเสแล้วไม่ถือว่าผู้ลูกเป็นโจรเป็นมารหรือผู้ไม่ลูกก็เหมือนกัน <c oughs> ที่นี่ความขี้หึงมันจะมาจากไห น, นี้ถ้าไม่ยึดถือผู้ลูกแล้วความขี้หึงมันก็ไม่มี ความเพลินในวัฏสงสารมันก็เพลินตาม ท, ที่ผู้รู้นี่ผู้รู้มันพาเพลินมันยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสักเป็นบุคคลก็คือผู้รู้มันพายึดถือแต่มันรู้ไปทางผิดที่เหตุฉะนั้ น, ท, นท่านจึงยินยันเลยว่าพิจเจนา กายเป็นอารมณ์ว่ากายนี้ก็สักว่ากายไม่ใช่สัพบุทธคนตัวตนเราเขาเรียกกายญาณุปัสนาสติกำหนด um พ, พิจานาเวทน า, นาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์นน ว, <า>ว่าเวทนานี้กก็สัว่าเวทนาไม่ใช่สัพบุทธคนตัวตวนเราเขาเรียกเวทนาอุปัสนาพิจาน า, ใ จ, นาใจที่เศร้ามองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี้ก็สักว่าใจไม่ใช่สัพพุทธคนตัวตนเราเขาเรียกจิตตานุปัสนาสติกำหนดพิจนาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่มันเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่า ทำนี่ก็สักว่าทำไม่ใช่สรรพสทคนตัวตนเราเขาเรียกธรรมานุปัสสนาจิตว่างออกในเงื่อนสี่จิตว่างออกในเงื่อนสองไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพิจิตว่างออกในเงื่อนสี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นเป็นศาสแต่สักว่าธาตุทำขัน ถ้าเห็นว่าเป็นแต่ศักวะธาตุาทำขันไปทั้งหมดทั่วทั้งใปโลกธาตุแล้วทีนี้กิเลสมันจะมาจากประตูไหนอีกทีนี้การรบราค่าฟันกันมันก็ไม่มีเพราะเห็นสมม ต, ติตามเป็นจริงของส ม, มุติเห็นวมมุติตามเป็นจริงของวมมุติไม่ได้คัดค้าน เห็นหนึ่งตามเป็นจริงของหนึ่งเห็นสองตามเป็นจริงของสองเห็นเขียนตามเป็นจริงของเขียนเห็นลบตามเป็นจริงของลบทีนี้เห็นได้ตามเป็นจริงของได้ที่สมมติจฉพาาวเห็นเสียตามมันจริงของเสียสิ่งที่ไม่ได้ไม่เสียพระนิพานคือสิ่งที่ไม่ได้ไม่เสียพ้าอยู่ฝากผู้ลู้ไปพระนิพานจะรู้ดีรู้ชอบจะเพียงไหนจะยึดผู้ลูกเป็นพระนิพานนั้น มันไม่ได้ใช่แล้วถ้าผู้ลูกเป็นพระนิพพานพระนิพพานก็เป็นทุกข์ก็ต้องจาต้องจะรักษาผู้ลูกอยู่อย่างนั้นใครมาประมาทพลาดพังในผู้ลูกก็ต้องจะโกรธใครจะมาคัดค้านผู้ลูกในพระนิพพานไม่ได้พระนิพพานก็ต้องโกรธใช่ไ เพราะนิพานไม่ได้ติดอยู่ในอดีตไม่ได้ติดอยู่ในอนาคตไม่ได้ติดอยู่ในป <ắng. S 1> ัจจุบันด้วยไม่ติดอยู่ในสมมติทั้งหลายด้วยไม่ติดอยู่ในสุขด้วยไม่ติดอยู่ในทุกข์ด้ว ย, ไ ม, ย, วยไม่ติดอยู่ในอุเบกขาด้วยไม่ติดอยู่ในจิตที่เด่นดวงด้วยนั่นถ้าติดอยู่ในสี่จิตที่เด่นดวงก็มีวิญญาณปฏิสนธิอีกพอใจเป็นแต่สักวิจัยขาดตัวแล้วก็มีภพ ม, <S <S <S มิชาติอีก เมื่อจิตเด่นดวงทำก็เด่นดวงเหมือนกันเพราะทากับจิตเป็นคู่กันยินอยยาปฏิสัท์ที่ละเอียดมากยากจะแล่เห็นผู้ใดชำนาญในลมหายใจเข้าออกแล้วทั้งยมลมหยากด้วยทั้งลมละเอียดด้วยทั้งลมที่หายไปด้วย ผู้นั้นจะมองเห็นได้จะตอบตนได้ถ้าไมาอย่างนั้นก็ตรงกันข้ามละไม่ใช่ทําอันเป็นของหยาบๆอันนี้ผู้รู้ในลมออกลมเข้าเป็นผู้รู้ในสมาธิ ในรลมออกลมเข้าเห็นพร้อมทั้งความเกิดความดับความแปรปรวนก็เป็นผู้ลู่ในสมาธิและวิปัสสนาเองกันไม่ใช่ผู้ลู่ที่พ้นแล้วเงอะงะหรือบางคนได้ยินแต่ท่านว่าทํากิจให้ว่างให้ว่างเขานอนเราบเขาก็บอกว่าคิดเขาว่างเหมือนกันเขาไม่ได้ทํางาน พุโทโธไปพอาผู้ลูกก็อธิบายย่อไปเขาไปรักไปขโมยเขาก็รู้เขาอยู่แต่ ว, ว่าพุโทโธมานอันนั้นผู้ลูกในประสวดาวันผู้ลูกในสักขทาคามีผู้รูกในอนาคามีผู้รูกในอาลังหาความรู้สามอย่างนี่จะเอามาขบตีคุณสี่สามสี่อย่างนี่เอามาตีคุณค่าเสมอกันก็ไม่ถูกผู้ลูกในสมาธิของตน ผู้โลในโลกีสมาธิผู้ติดอยู่ในโลกีสมาธิกลูเหมือนกันผู้ติดอยู่ในโลกุตระสมาธิกบ็เป็นผู้ลูเหมือนกันติดในชั้นไหนสมาธิของปะจสดาบันติดอยู่หรือไม่ท่านก็ติดอยู่เพราะยังไม่ถึงพระสกทาคามีสมาธิของพระรหันต์ท่านยังไม่ได้ติดอยู่ท่านเข้าทำไม เข้าเป็นธรรมเนียมเพื่อทอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังด้วยเพื่อเป็นที่อยู่ของขันธวิบากด้วยไม่หวังจะเอาดีเอาชั่วกับสมาธิไม่หวังเอาดีเอาชั่วกับวิปัสสนาเป็นธรรมเนียมเฉยๆทำเพื่อเป็นเครื่องอยู่ของขันธวิบาก ต่างคนนั้นลงมาก็ทำเป็นเครื่องรุดพ้นเพราะยังมีสิ่งที่จำเป็นจะได้ทำอีกอยู่ไหนๆก็ามก็ต้องอาศัยปัจจุบันธรรมปัจจุบันกิจนี่เองถ้าอย่างนั้นมันก็เรียงแบบไปภาวนาลงไปนึกเข็นแบบน้านั่นน่านี่อยู่มันก็ไม่ถูกไปนึกเข็นคาพูดของผู้นั้นพูดอย่างนั้นผู้นี่อย่างนี้มันก็ไม่ถูกมันต้องเห็นชัดในกรรมฐานของตน มันจึงไม่เป็นว่าเชื่อขาดมันจึงไม่เป็นคำที่ยืมออกของท่านผู้อื่นมาพูดถ้าเห็นชัดจริงๆในสมถะเลยปรัชนาของตนแล้วไม่เป็นของคนอื่นนนะมันก็ไม่สงสัยความสงสัยมันก็ไม่กําเลิบอีกมันไม่ขบฏมา มันก็อาจหัรต่อความไม่สงสัยของตนอีกด้วยมันก็อาจหัรต่อคำพูดของตนอีกด้วย เรื่องใดๆในโลกมันเป็นเรื่องสังขารทางนั้นถ้าไม่เป็นสังขารหยาบ ก, ก็เป็นสังขารขนาดกลางก็เป็นสังขารอันละเอียดข้ามโลกก็ต้องข้ามความสงสัยสังขารอันละเอียดนั่นเองสังขารกันอันละเอียดกับผูลู่อันละเอียดก็อันเดียวกัน พุทเทวพุทโธแท้ไม่เกิดไม่หลับไปไหนเราจะไม่บริกรรมพุโทโธพุธโทโธก็มีอยู่เราบริกรรมทําไมเราของงอพุโทโธเราก็ต้องบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไม่ได้ว่าของงอเราธรรมโอก็เหมือนกันอันอื่นก็เหมือนกันเพราะทำทั้งหลายไม่ได้ของงอเราเราของง้อทำเราเคารพทำเราปฏิบัติทำไม่ทำได้ใช้ทำปฏิบัติเรา เราหวังดีต่อทำไม่ใช่ทำหวังดีต่อเราเราเคารพทำไม่ใช่ทำเคารพเราท้าไม่เป็นหน้าที่ที่จะมาเคารพเราร่มไม่เป็นหน้าที่ที่จะมาเคารพเราเราเคารพร่มต่างหา เรากันร่มร่วมกักันเราจริงอยู่อันนั้นแต่มันตื้นไปถามมันซิทีนี่มันตอบไ้มนะว่ามันกันเรามันก็ไม่ตอบนั่นมันไม่กันเราไปถามมันซิท่นนี้มันก็ไม่ตอบอีกเหมือนกัน ตกลงว่เป็นเรื่องที่สมมติว่าเราเราอยู่ตามเดิมเรามีเท่าไรจะรู้แจ้งแทงตลอดหมดสิ่งที่ไม่มีเราเท่าไรจะรู้แจ้งแทงตลอดหมดเสียมีเท่าไรจะรู้แจ้งแทงตลอดหมดได้มีเท่าไรจะรู้แจ้งแทงตลอดหมดได้แล้วไม่เสียมีเท่าไรจะรู้แจ้งแทงตลอดหมด ที่สมมุติว่าได้แล้วมัเสียคือได้มรคนที่านไม่เสียไปไหนถ้าโสดาบันท่านก็ไม่ได้เสียไปไหนพระจักรทาคามีท่านก็ไม่ได้เสียไปไหนไม่มีใครเทเวดาเลี้ยมอภูมจะทําให้ท่านเสียได้พระละหันก็เหมืองงนกันยิ่งเป็นที่หนึ่งแหะไม่มีอะไรเสีย ท่าไม่สําคัญว่าได้อะไรท่านก็ไม่ได้สําคัญมาเสียอะไรถ้าไม่สําคัญเราท่านเขียนอะไรท่านก็ไม่สําคัญว่าท่านลบอะไรเราปฏิบัติเพื่อทํามันลึกซึ่งยี่สิบสามสิบปีก็มาพูดแต่สมาธิ รู้นิมิตอะไรต่ออะไรสารพัดมันก็ไม่ถูกไม่สมฐานะหมายไว้ในลมหายใจเขาออ ก, กนิมิตอยู่ที่ลมหายใจเขาออกนิมิตเป็เราเครื่องหมายหมายไว้ในเวทนาสัญญาสังขารวาิญญาณก็เป็นนิมิตในเวทนาสัญญาสังขารวาิญญาณเรียกว่าอานิมิตะก็ไม่เห็นด้วยตาเห็นด้วยปัญญา <c oughs> มีทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนในเตจทลายทั้งนั้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้ไม่มีกลางวันกลางคืนเลยไม่ฟังเสียงใครเลยไม่จกกระเสียนอีกเสียเลยน้ำไหลลงสู่ที่ต่ําไม่จกกระเสียนชั้นใดอันนี้จังทุกคังอนัตตาในทางโลกีและในทางลัสังขารก็ไม่จกกระเสียนเหมือนกัน เราจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่จะพิจารณาตามเป็นจริงหรือไม่จะถอนความหลงหรือไม่ที่ว่าเราว่าเขาว่าสารบุคคลว่าของคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ภาวนาแก้สังขารไม่ใช่ภาวนาแก้โลกถ้าภาวนาแก้ผู้ไปหลงโลกผู้ไปหลงสังขารผู้ไปหลงนหน้าไฟลมผู้ไปหลงโล ก, โลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบัน อดีตเป็นโลกปัจจุบันอนาคตเป็นโลกอนาคตปัจจุบันเป็นโลกปัจจุบันถ้าพิจารณาทันแล้วก็เป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวเป็นธรรมที่นำให้เครื่องออกออกจากความหลงออกจากความเข้าใจผิด <c oughs> <c oughs> เมื่อเห็นโลกเมื่อเห็นสังคารไม่มีแกนสารอันใดแล้วทีนี้ ควาเมเมื่อนายใครเมามันมาเองไม่ต้องในร่องเรียกหาดอกความละอาในวัดตาสงสานมันมาเองไม่ต้องร่องเรียกหาใครกับเราลองลืมตายอย่างนี้ไม่ต้องเรียกหามันก็เห็นเลยถ้รารับตาก็ไม่ต้องเรียกหาความมืดมันเห็นเลย หลวงปู่มั่นบางคราวท่านหมดปัญหาว่าเออกรรมฐานอันใดก็พิจารณาอยู่ถ้าอย่างนั้นมันจะไม่มีเครื่องอยู่อันนี้ท่านผ่อนปลนที่สุดถ้ามันไม่หลุดไม่พ้นก็ยังดีกว่ามันไปนรกท่านพูดอย่างนั้นให้มีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่นั่นเถอะถ้าไม่หลุดไม่พ้นในชาตินี้มันก็ดีกว่าไปนรกหรือไปเป็นสัตว์ที่ลชานท่านพูดอย่างนั้นหลวงปู่มั่น การปฏิบัติเทศมันก็ไม่ได้พูดมากหรอกถ้มพูดพูดไปเท่าไหร่มันก็เป็นปริยัตไปซะถ้าพูดปฏิบัติแล้วไม่ได้พูดมากผู้ฟังก็ไม่ต้องการฟังมากการฟังมากก็เพราะเพื่อกันความขยาจผิดของตนต่างหาเพราะนี้สงแห่งการฟังธรรมมีห้าอย่างผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง สิ่งที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดก็ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดเมื่อเข้าใจสิ่งนั้นชัดแล้วก็บรรเทาความสงสัยเสียได้เมื่อบรรเทาความสงสัยเสียได้แล้วความเห็นของผู้ฟังก็ถูกต้องเมื่อความเห็นถูกต้องแล้วกิจของผู้ฟังก็ผ่องใสมีอันนี้สองห้าอย่าง ว่าวรู้ไรก่ะอาจารย์แตนกับใบาอาจารย์ซ้ำไงนี่หัวสะเผลนึงซะและ้วหูสะเผนึงซะสะะันแล้ววีวมากตับเขานี่ตัวนึงฟาดหัวนี่แตนซุ่มนี่มันแตนซุ่มขอออย่าออกนี้เนี่ยมันขึ้นมะลังข่วนซุ่มนี่มันได้ไม่จับอยู่หันเขากายไปหันฟาดไปหูนี่ ตรงที่ไปแล้วเก็บอะไรเถอะไปงูนี่เก็บตามสมุดสมมุต <s Val ois io> em ิถืกสมมุดเก็บถืกสมุดเก็บบพมันถืกสมุดพวกเก็บแต่ว่าเนาะกับการอะไรมันว่างออกจากคนเก็บไปมูเนามันถืกสมมุดเก็บใชไหมว่าเนาะมันอะไรว่างออกจากกันบวเก็บ อ, อันมุกเจ็บเลยว่างนี้ซะเ่อันเจ็บมาแท่นจิตีฮะเนี่ยอันมุกเจ็บเลยวางไปซะแล้วบ่บม้มาแล้ว ของกีเลสมันก็มมอยู่ทูกตัวสัตว์ข่มโกรธวามเคียดว า, วามห่วงว่มหึงเงืเ่อนห้างของผู้เจา้เสาส่านเนพระว่ามหาสมณะเจ้า เ, เป็นต้นมาทุกแก่ก็ดีหนูก็ดีปลวกก็มีดีเรามีหน้าที่ไล่แล้วก็ไล่บ้างเพราะเราไมา่ได้ถือว่าให้สัตว์เหล่านี้มาเป็นเจ้าของสูง มันพูดอย่างนั้นเพราะแต่ก่อนเขาอยู่ที่อื่นนล้วเขามาอยู่ที่หลังมันพูดอย่างนั้นถ้าหากว่าเขาไปอยู่โพรงเราไปรบกวนเขามันเป็นสถานหนึ่งท่านว่าอย่างนี้นแต่ว่ามันก็เหลือวิสัยใครจะไปจับไว้ใครจะภชนะจับไว้ตุ๊กแกก็ดีจี้จกก็ดีอืมตุ๊กแกจิงจกมันก็อยู่ มันก็ไม่ไว้ละอันนั่นแต่มไม่ทำอันตรายแต่ก็ทำอันตรายเหมือนกันมันขี้ลงมาพระล่างยินดีต่อสู้กับความหลงของตน ยินดีปฏิบัติต่อสู้ความหลงของตนก็คือยินดีในพระพุทธธรรมประสงค์นั่นเองก็คือยินดีในขอวัดปฏิบัตินั่นเองก็คือยินดีในพระพุทธศาสนานั่นเองยังไม่ถึงฝั่งก็ยินดีในการเดินทางยังไม่ถึงที่ ถ้าถึงที่แล้วหนทางก็ไม่เอาไปพระนิพพานด้วยหนทางเราก็ไม่มาเอาเพราะเราถึงที่แล้วเราไม่อะไรในหนทางที่แล้วใี่ไหมแไหนก็ดีสินสมาธิปัญญาพอดีที่เราปฏิบัติข้ามห่วงทะเลใหญ่ได้แล้วมันก็เป็นมหาศีลที่ไม่เกิดไม่ดับ เป็นสมห า, มหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นมหาวิมุตตแต่ท่านในบัญญัติหลายอันท่านบอกว่าทําอันไม่ตายเท่านั้นท่านที่เกียรตบัญญัติทาอันไม่เป็นทุกทาที่ที่ตายกับ ท, า ท, า, ทาที่เป็นทุกอันเดียวกัน สังขารก็อันเดียวกันกับโลกิยาธาตุก็อันเดียวกันโลกุตระธาตุไปจบอยู่ที่อรหัตธาตุโลกิยาธรรมไปจบอยู่ที่อรหัตตธรรมโลกิยกิจไปจบอยู่ที่อรหัตตกิจ ที่วัดถูกไปจบอยู่ที่อรหัตตะถูก